ในช่วงคุยธรรมะในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาเรามาพบกันนี้ท่านผู้ฟัง เอ่อส่วนที่เข้าใจได้ก็มีเข้าใจไม่ได้ก็มีเนี่ยเราแยก 2 ส่วนกันนั้นคือส่วนที่เราๆ หรือว่าเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแย้งเห็นไม่ตรงกันก็ได้ทั้งนั้นนะส่วน นี่มีประโยชน์มากการฟังธรรมนั้นๆเนี่ยจะ 2 ส่วนนั่นคือส่วนทั้ง เนี่ยถ้าพูดๆก็ 4 เนี่ย 2 ส่วนนะคือเอาทุกข์กับสมุทัยรวมเป็นส่วน 2 ส่วนเราจะสามารถทําความเข้าใจโดย 106 napiuredha.mma.com/106 e อ่าตัวข้าพเจ้าก็สามารถตอบให้ท่านผู้ แต่คือถ้าพูดไปแล้วคนอื่นไม่ฟังแล้วก็ใช้คํากลัวมันจะไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จะเหนื่อยเปล่าใน หลังจากที่ 3 บดีพรหมมานิมนต์อันนี้เป็นเรื่องว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจิตน้อมไปในการไม่แสดงธรรมขวน 3 บดีพรหมก็เลยคิดว่าแม้โลก นะสัตว์เหล่านั้นจงปลงสตางค์ลงไปเถิดก็ใช้คํา และนั่นจะทําให้เกิดศรัทธาได้เกิดความมั่นใจได้ในเห็นข้อปฏิบัติของท่าน คุณจะนอนฟังก็ได้จะนั่งฟังก็ได้นะฟังแล้วเนี่ยฟังด้วย 3 ประเภทนั้น หม้อคว่ําเนี่ยเค้าเอาเหรียญอะไร 2, 2 ก็คือเหมือนกับหน้าตักของเรานะหน้าตักของหรือประเภท หม? หม 3 เนี่ยเปรียบเหมือนกับ ลุกขึ้นไป 3 ประเภทที่เอ่อคนที่ 1 ไม่ฟังเลยไม่รู้เรื่องนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะ 2 นะที่ว่าเฉพาะไม นะ, 3 นี่ก็คือเอ่อ อะไรเป็นเหตุเป็น 3 ได้มันเป็นประเภทที่ฟังได้และสิ่งที่สําคัญที่เป็น 1 ฟังธรรมะเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจลึก แต่เวลาเราจะมาใคร่ครวนเฝ้าคิดพินิจพิจารณาได้เนี่ย นี่คือหมายความว่าลมหายใจของเราเข้าผ่านออกเนี่ยเวลามันเคลื่อนผ่านเข้าผ่านออกในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันเราลม เรารับรู้ได้ตรงเนี้ยคือๆที่ไม่ใช่ของเรา ปล่อยไอ้ความคิดความนึกต่างๆเหล่านั้นแล้วให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองเวลาที่เรา นะจิตที่เป็น 1 นะ, ตรงนี้สําคัญมากตรงที่ว่าเราๆที่เลยไม่ว่าจะ นะเฉพาะหน้าที่เกิดมามันจะแก้เป็นได้หรือแก้ไม่ได้ก็ตามแต่จิตตรงนั้นเราสบายนะจิตที่สบาย น่ะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการฟังเนี่ยว่าถ้าเผอว่าในโลกนี้เนี่ยเค้าไหลไปตามกามคุณน่ะเค้าไหลไป ไม่เกี่ยวไม่ได้กินเล่นเที่ยวดื่มแม่แต่ก็ยังมีคนฟังดูสิแต่นั่นในๆอันเพราะว่ามีธรรมะของพระเจ้า พยายามที่จะทําให้มันเห็นคุณค่านะคือบางคนอาจนี่ดูสิเต็มไปวัดวัดนึงมีหลายตู้มีทุกบ้านบ้านนึงมีหลายเล่มเอางี้ละ หาได้ง่ายเหมือนกับไม่มีค่าแต่จริงๆเนี่ยเป็นความที่มัน นะทุกข์ทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยมันแค่ๆพวก เนื่องจะเป็นเสียงวิทยุเสียงคนเสียงกันเทศเสียงดนตรีเนี่ยถ้าเราฟังไปฟัง นั่นเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่มี 2 อย่างนี้ประกอบกัน 2 อย่างนี้จะทําให้ น่ะได้ยินแค่นี้เองทางหูแล้วเราทําในใจโดยแยบคายอ่าอันผล ธรรมแล้วก็เอ่อให้เห็นผลได้เพราะฉะนั้นในเราพูด